ยิ่งแข่งกับคนอื่นมากขึ้นเท่าใดยิ่งพบโอกาสแพ้มากขึ้นเท่านั้นนับแต่เด็กจนโตโลกจะบีบให้คุณต้องแข่งกับคนอื่นและได้ผลเปรียบเทียบว่าใครเหนือกว่าใครด้อยกว่าเป็นธรรมดาถ้าอยากแข่งกับคนอื่นมีคนพร้อมให้คุณแข่งมากมายแต่ยิ่งแข่งมากขึ้นเท่าใด คุณยิ่งพบโอกาสพ่ายแพ้มากขึ้นเท่านั้นเพราะเก่งแค่ไหนในที่สุดก็ต้องรู้จักคำว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าแข่งกับตัวเองเจอวันนี้ที่ดีกว่าเมื่อวานแต่ถ้าใจของคุณหันมาตั้งข้อสังเกตเปรียบเทียบตัวเองวันนี้กับเมื่อวานมุมมองและความรู้สึกของคุณ จะค่อยๆต่างไปคือความทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อพบว่าตนเองย่าอยู่กับที่รู้เท่าเดิมเก่งขึ้นนลงงเหมือนเดิมส่วนความสุขจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อพบว่าตนเองรุดหน้าไปเรื่อยๆรู้มากขึ้นฝึกมากขึ้นทักษะมากขึ้นเก่งมากขึ้นผลลัพธ์ ของการแข่งกับตัวเองคนที่แข่งกับตัวเองจะรู้จักตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆและเกิดมุมมองจากจุดที่ตนยืนอยู่ประจางชัดพอจะคิดสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆกลั่นผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ออกมาจากความเป็นตัวเองโดยไม่ต้องล่อใครเพราะอย่างไรไอเดียก็ถูกต่อยอดวันต่อวันอยู่แล้วแม้มองคนอื่นก็มองเพื่อดึงส่วนดีที่สุดของเขา มาผสานกับส่วนดีที่สุดของตนจนเกิดรูปแบบใหม่ไม่ใช่เกิดแต่ของรีไซเคิลถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวไร้คู่แข่งดังนั้นคนแข่งกับตัวเองจึงเป็นพวกที่มีสิทธิ์พบงานอันเป็นที่รักโดยง่ายกับทั้งมีความพอใจในตนเองสูงสุดผลลัพธ์ของการแข่งกับคนอื่น ส่วนคนที่เอาแต่แข่งได้จริงดีกับคนอื่นจะรู้จักแต่วิธีเอาชนะวิธีแก้หน้าวิธีเอาคืนหรือไม่ก็วิ่งวุ่นสร้างความสำคัญให้ตัวเองโดยเอาความเหนือกว่าด้อยกว่าเป็นตัวตั้งถ้าจะคิดก็คิดแต่อะไรที่คนอื่นพากันคิดคิดอยู่แต่เห็นอะไรที่คนอื่นเห็นกันไปหมดแล้วเพราะทุกคนมองออกข้างนอกไปยังจุดเดียวกัน คือเส้นชัยที่ไร้ตัวตนไม่ได้มองเข้าข้างในคือความเป็นตัวของตัวเองที่จับต้องได้ดังนั้นคนที่ชอบแข่งได้ชิงดีจึงยากจะพบงานอันเป็นที่รักและต้องทนทุกข์กับการแพ้ชนะที่น่าเบื่อไม่รู้จบ